คือส่วนมากพวกเราคิดว่าทำไงสติจะเกิดขึ้นมาสติสัมมาสตินี่เป็นเครื่องเวารรึกรู้รูปนามถ้าสติทั่วๆไปเป็นเครื่องเวารึกรู้อารมณ์ฝ่ายกุศลทั่วๆไปแต่สัมมาสติจะต้องรู้รูปนามอย่างถ้าเราไปเพ่งเพ่งท้องเพ่งมือเพ่งเท้ามันยังไม่ใช่การรู้รูปนามเป็นแค่การเพ่งเอาไว้จิตใจก็สงบสุขอะไรเงี้ยได้สมถะก็เป็นสติธรรมดา สมาสติถามว่าลสติคืออะไรสติเนี่ยในพระไตรปิฎกท่านบอกว่าความระลึกได้ความระลึกได้ถึงกายความระลึกได้ถึงจิตใจระลึกได้พวกเรารุ่นหลังเริ่มไปแปลสติว่ากำหนดระลึกรู้เนี่ยไม่ได้จงใจระลึกแต่กำหนดเนี่ยจงใจกำหนดมีความต่างกันอธิกถา มาหาสติปัฏฐานนะท่านเคยสอนไว้เมืม่อปีพนะันหร้อยนะเกือบพันปีมานะท่านเขียนตำรานี้ไว้ท่านบอกว่าสติอันกําหนดรูปนามเป็นอารมณ์สติอันกาหนดนะนะสติอันกําหนดรูปนามเป็นอารมณ์เป็นตัวทุกขตัณหาคือความอยากปฏิบัติเนี่ย mm hmm. อยู่เบื้องหลังการเอาสติไปกําหนดรูปนามอันนี้เป็นตัวสมุทยัย mm hmm. และสติจริงๆไม่ได้แปลว่ากําหนดสติจริงๆเนี่ย ลักษณะของสติคือความไม่เลื่อนลอยใจของเราเลื่อนลอยเลื่อนลอยไปทางตาเลื่อนลอยไปทางหูเลื่อนลอยไปในโลกของความคิดแใ่เราเลื่อนลอยทั้งวันถามว่ารู้จักไหมเลื่อนลอยไปทางตาเช่นเราเห็นคนเดินมาพเราไปดูเข้าใจเราวิ่งไปอยู่ที่เขาแล้วเราลืมกายลืมใจตัวเองเมื่อไหร่เราลืมกายลืมใจตัวเองไม่นั่นเรียกว่าขาดสติแล้วขาดสัมมาสติ เพอเรามองเห็นคนเดินมาเราไปดูเขาป๊อบใจเราหลงไปอยู่ที่เขาลืมตัวเองเวลาเราตั้งใจฟังอย่างขนาดนี้ตั้งใจฟังหลวงพ่อพูดรู้สึกไหมเราลืมรูปนามตัวเองไม่ออกไห ม, ไมเราจะลืมนี่หลงฟังนะนั่งคนเดียวมาคิดไปเคยไหมคิดไปชั่วโมงหนึ่งไม่รู้ว่าคิดอะไรนะอันนี้หลงสุดจิดเลยคิดอะไรยังไม่รู้เลยหนะลงคิดหลงทางใจที่รองลงมารู้เรื่องที่คิด ขณะที่เรารู้เรื่องที่คิดเนี่ยเราจะลืมกายลืมใจตัวเองฉะนั้นขนาดใดที่เราคิดนะขนาดนั้นไม่รู้หรอกเพราะธรรมชาติของจิตทำงานได้ครั้งละอย่างเดียวนะคือรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวถ้าเข้าไปรู้สมมติบัญัติคือไปรู้เรื่องที่เขาคิดซะแล้วเนี่ยเขาจะรู้รูปนามไม่ได้ฉะั้นปากพวกเราหัดให้ดีนะอย่างสมมติว่าความโกรธเกิดขึ้นเราโกรธหนอให้มันเนี่ยเราตรึกแล้วล่ะเราคิดล้ว โอกาสที่เราจะพลาดออกจากอารมณ์ p a r a m a นี่สูงมากเลยนะแต่ถ้าครูบาอาจารย์สอนโกรธแล้วโกรธหนอเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเตือนตัวเองให้รู้ว่าสภาวะของความโกรธกำลังปรากฏอยู่อย่างนี้ใช้ได้นะ mm hmm. งั้นต้องทำให้ถูกไม่ใช่โกรธหนอเพื่อจะให้หายโกรธนะนะฟุ้งซ่านขึ้นมาฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอเพื่อจะให้หายฟุ้งซ่านนี่หลักของสมถะละบริกรรมเข้าไปบริกรรมเข้าไป แต่ถ้าความโกรธเกิดขึ้นสติระลึกรู้ความโกรธนะไม่ต้องบริกรรมดีที่สุดเลยแต่หัดใหม่ครูบาอาจารย์หาเครื่องมือมาช่วยให้บริกรรมช่วยโกรธขึ้นมาก็โกรธเนอเพื่อเตือนตัวเองให้รู้สภาวะจะเห็นเลยความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปอย่างนี้ใช่ได้นะแต่ต่อไปมันจะเลิกบริกรรมเพราะการบริกรรมเนี่ยจิตมัวทําหน้าที่คิดเนี่ยจิตจะไม่ทําหน้าที่รู้หรอกมันจะตกจากสภาวะ แต่เบื้องต้นหัดอย่างนี้ก่อนก็ได้นะเพ้วสติตัวจริงเนี่ยสติคือความระลึกได้ลักษณะของสติที่พระพิธรรมสอนนะคือความไม่เลื่อนลอยสติมีความไม่เลื่อนลอยเป็นลักษณะสติไม่ใช่มีการเพ่งเอาไว้เป็นลักษณะนะกําหนดจดจ้องเอาไว้เนี่ยไม่ใช่ลักษณะของสติแค่ไม่เลื่อนลอยเท่านั้นแต่การจงใจเขาไปจับให้แน่นๆนะมันทําด้วยโลภะที่ท่านบอกว่ามีตัณหาอยู่เบื้องหลัง อย่าปฏิบัติก็ลงมือกําหนดลงไปนะใจจะแข็งทื่อๆขึ้นมาใจจะทื่อๆไปเรื่อยบางคนค อ, อกเคล็ดเลยนะค อ, อ ก, ก็แข็งตัวก็แข็งใจก็แข็งแข็งไปหมดนะซึ่งมันไม่ใช่หรอกนะ่นสติตัวแท้คือความไม่เลื่อนลอยใจของเรามีปกติเลื่อนลอยในโลกนี้ไม่มีคนรู้สึกตัวหรอกในโลกนี้มีแต่คนหลงคนเลื่อนลอยเดี๋ยวก็ลอยไปดูเดี๋ยวก็ลอยไปฟังเดี๋ยวลอยไปคิดนั่งฟังหลวงพ่อพูดรู้สึกไหมฟังไปคิดไป ขนาที่เราฟังไปคิดไปใช่ไหมเราไม่รู้ตัวหรอกมนีไปคิดอีกแล้วรู้สึกไหมนะรอจะฟังใช่ไหมหัดอย่างนี้นะเราจะตื่นขึ้นมาเมื่อไรเรารู้สภาวะลงปัจจุบันลงความจริงนะเราจะตื่นขึ้นมาในฉับพลันรู้ดอก่างโลกของความคิดเนี่ยหลงไปคิดแล้วรู้ไหมยังไม่ตื่นยังไม่รู้จริงหรอกยังคิดไม่เลิกนะยังหลงอยูยังรู้สึกไหมยังคิดไม่เลิก เน่ใจแอบปคิดอีกแล้วรู้ไหมนี่ให้รู้ทันสภาวะนะไม่งั้นเราจะพูดแต่เรื่องรูปเรื่องนามแต่เราไม่เคยเห็นรูปนามของจริงหรอกนะรูปนี่เราไปเห็นอะไรเราไปเห็นอวัยวะอวัยวะไม่ใช่รูปดูท้องดูมือดูเท้าดูลมหายใจนี่ไม่ใช่รูปหรอกเป็นอาการ32อะไรพวกนั้นเป็นเรื่องของสมถะรูปคืออะไรรูปคือธาตุดินน้ำไฟลมอะไรนี่ดูยากจะตายไปหรือวิญญาี่รูปรูปเคลื่อนไหวเห็นในตัวที่ไหวอยู่นี่ ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้ า, นนน เ, นนาเนี่ยไอ้ต mm ัวเนี้ยมันพยักหน้าอย่างเงี้ยเห็นใจไปรู้เข้ารูปจริงจริงดูยากนะถ้าจิตไม่มีสมาธิพอมักจะไม่เห็นรูปเห็นแต่อวัยวะ mm hmm. ส่วนนามธรรมาเนี่ยนูง่ายๆความรู้สึกอะไรปุดขึ้นมารู้ไปเลยแต่อย่าเป็บริกรรมไปมันเบื mm ้องต้นหันบริกรรมไม่เป็นไรหรอกนะแต่ว่าเบื้องปลายก็ต้องปล่อย เพราะเมื่อไรเราไปบริกรรมเนี่ยเราไปทางานเพิ่มหลังจากการรู้จิตจะตกจากการรู้เยจิตรู้กับจิตคิดหนึ่งคนละดวงกันจิตคิดรู้จักไหมหลงไปคิดอยู่เนี้ยเนี้ยคิดไม่เลิกรู้สึกไหมแล้วไปทําใจให้ทื่อๆไว้รู้สึกไหม ร, ไใใหไรู้สึกไห ม, ไหมใจทื่อๆผิดความจริงรู้สึกไหมอย่าแกล้งทำนะแกล้งทำสิบปีก็ไม่ได้อะไรก็ได้แค่นี้แหละงั้นเราต้องเห็นสภาวะนะ ฟังหลวงพ่อต้องทนนะหลวงพ่อเป็นคนที่สอนอะไรสอนกันอย่างจริงใจเลยนะตรงไปตรงมาอดทนไว้หน่อยบางคนทนไม่ไหวหลวงพ่อจริงจังมากร <c oughs> ูก้สึกแมมหมโมโหอะไรนะเนี่ยใจลอยแล้วรู้จักไหม <c oughs> ใน่ายใจใจไปคิดเห็นไหมใจไหลไปครับเราไม่เห็นสภาวะที่จิตเราหลงไปเนี่ยเรียกว่าเราหลงละเราไม่รู้ตัวแล้และนั่นสติตัวจริงในโลกนี้ไม่มีหรอก ในโลกนี้มีแต่คนหลงนะถ้าคนไม่เคยฟังธรรมของพระพุทธเจ้าสติตัวแท้ไม่เกิดแล้วอะไรทําให้สติเกิดนี่นไม่ใช่การกําหนดทําให้สติเกิดนะพวกเราชอบคิดว่ากําหนดทําให้สติเกิดคราบพี่ทำสอนชัดๆเลยการที่จิตเนี่ยมันจําสภาวะธรรมได้แม่นยําเป็นเหตุใกล้ให้สติเกิดนคนละเรื่องแต่ที่เรานึกนะ การจำสภาวะได้แม่นเช่นเราจำได้ว่าความเผลอเป็นยังไงใจลอยเป็นยังไงพอใจเราลอยแวบไปเนี้ยสติจะระลึกขึ้นเองว่าอ้าวใจลอยละเนี่ยสติเกิดเองนะเนตอนเนี้ยหนีไปคิดแล้วทราบไหมเนี้ยต่อไปพอใจมันหนีไปคิดนะเราจะเห็นพอเห็นเราจะมีสติรู้สึกไหมเหมือนเราตื่นขึ้นมานะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาตอนเนี้ยเป็นผู้คิดอีกละรู้สึกไหมคิดไม่เลิกนะดูสิ รู้ให้ทันนะรู้แล้วมันจะปล่อยทิ้งเลยใจเราจะตื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจเราจะเกิดความสงบสะอาดสว่างขึ้นในฉับพลันนั้นเลยไม่ต้องไปแกล้งทําอะไรหรอกจิตโดยธรรมชาติมันประพัดสอนอยู่แล้วเราไปทําให้มันวุ่นวายขึ้นมาเองนี่ไปคิดอีกแล้วทราบไหมเนยเนี่ยหัดรู้รู้จักหรือย่างตื่นเป็นอย่างนี้นะอยู่แค่เนี้ยแต่อยู่ได้ชั่วคราวแวบบเดียวแวบบเดียวถูกต้องแล้วเพราเข้าไม่เที่ยง เผลอไปไม่ได้เจตนาจะเผลอรู้สึกตัวขึ้นมาไม่ได้เจตนาจะรู้สึกแต่ว่าสติมันจําได้จิตมันจําได้ว่าเผลอเป็นยังไงพอเผลอปุ๊บสติเกิดเองจะตื่นขึ้นมารู้สึกตัวแต่รู้สึกตัวได้แวบเดียวอยู่ได้คณิกะสมาธิแวบเดียวก็จะดับนะเพราะงั้นจิตอักกุศลเผลอไปเกิดแล้วก็ดับจิตที่รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับนะไม่มีอะไรเลยที่เกิดแล้วไม่ดับเนะนี่ยหลงไปอักกุศลอีกแล้วรู้ไหมหลงไปคิด ยังจงใจทําอยู่ทราบไหม ใ, ให้รู้ทันนะจงใจทํานิดเดียวก็ผิดแล้วหน้าที่ของเราไม่ใช่ทําอะไรหน้าที่ของเรารู้ทันจิตมันไปทําอะไรหน้าที่รู้ทันมันเท่านั้นรู้ทันว่าจิตแอบไปทําอะไรไม่ใช่ไปทํามันเสเองไม่งั้นเราจะเห็นสภาวะไม่ได้ถ้าเห็นสภาวะไม่ได้ไม่ต้องพูดเรื่องวิปัสสนาเลยไม่มีหรอกวิปัสสน า, าต้องเห็นสภาวะจริงๆสติ เป็นความระลึกได้มันเกิดจากการที่จิตจําสภาวะได้เช่นมันจําได้ว่าเผลอเป็นยังไงพอมันเผลอปั๊บสติจะเกิดเองมันจําได้ว่าโกรธเป็นยังไงพอมันโกรธปั๊บนะสติจะเกิดเองมันจะรู้ขึ้นเองแล้วเอาโกรธต่ละต้องโกรธไปแล้วนะต้องเผลอไปแล้วนะสติเกิดทีหลังหลงไปก่อนเผลอไปก่อนโกรธไปก่อนนะโลภไปก่อนแล้วสติก็เปิดมาทีหลังต้องตามรู้นะ เรียกว่าจิตตามรู้ศาสนาการตามรู้จิตไม่ใช่ไปรู้ลงปัจจุบันนะจิตนะจิตเป็นการตามรู้ล้วนๆเลยหนีไปคิดแล้วรู้ไหมนั่นไม่ต้องเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าจะคิดอะไรนะเรื่องที่คิดนะ่ะไม่มีประโยชน์อะไรเลยคือสมมุติบัญหยัดล้วนๆเลยการที่รู้ทันว่าจิตมีอาการคิดเนี่ยเห็นอารมณ์ปรมานะจิตมีอาการคิดแล้วทราบไหม ทราบแล้วแต่มันไม่ตื่นอ่าเนี่ยตอนนี้ค่อยดูดจบมันนะเอออย่างนี้นะตื่นไปเรืยเนี่ยเห็นไหมว่าฝึกมาเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ถึงหรอกมันไม่ถึงสภาวะต้อนงะอดทนนะกว่าจะเรียนได้เห็นสภาวะคนหนึ่งคนหนึ่ ง, นนงยากที่สุดเลยเดี๋ยวอีกหน่อยแก่ๆหลงวงพ่อก็เลิกสอนแล้วไม่ไหวเหนื่อยนะปาจะเข็นให้เห็นสภาวะคนหนึ่งคนหนึ่ง น, นีง่ยากที่สุดเลยสติคือความไม่เลื่อนลอย สติมีการจำสภาวะทำได้แม่นยาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดเมื่อสติเกิดแล้วสติทำหน้าที่อารักขานี่อารักขาหมายถึงหน้าที่คุ้มครองจิตสติจะเป็นผู้คุ้มครองจิตคุ้มครองของเขาเองสติเกิดขึ้นเพราะว่าจิตมันจำสภาวะได้พระจิตจำสภาวะได้มีสติปุ๊บสติจะคุ้มครองจิตนะเช่นกาลังเผลอๆ อ, อยู่สติระลึกได้ว่าเมื่อกี้เผลอไปละ จิตเราจะตื่นขึ้นมาความเผลอจะดับไปทันทีนะเกิดกุศลและจิตแทนอ่กุศลและจิตดับไปแล้วแม้สติมันรักษาจิตอย่างนี้เองคือตัวมันทันทีที่ตัวมันเกิดนะอ่กุศลจะดับทันทีกุศลจะเกิดขึ้นทันทีเลยนี่การอารักขาของเขาไม่ใช่ไปนั่งเฝ้านะอารักขาไม่ใช่เฝ้ายามนะอารักขาคือทันทีที่สติดีดผางขึ้นมาเนี่ยอ่กุศลก็เด่นออกไปเลยนะจิตใจยังไม่ตกไปสู่อารมณ์พิช่ว นี่พวกเราชอบอารักขาด้วยการ น, นั่งเฝ้าแบบพวกแขกยามนะนั่งเฝ้าหรือทหารยามอะยิ่งร้ายกวแขกยามแขกยามยังมีหลับบ้างหานยามนั้ น, น่งยืนตัวแข็งนะเหนื่อยจะตายไปทํากรรมฐานอย่าทําแบบนั้นนะอย่าแบบนั่งเฝ้าไว้จนแข็งๆทื่อๆนะรู้ไปเล่นๆรู้สบายๆอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยรู้เอานี่คิดแล้วรู้ไหมเอออย่างนี้ค่อยตื่นหน่ย ยังไม่ตื่นนะตรงนี้เห็นไหมยังทำอยู่ไม่เลิกรู้ออกไห ม, ม น, ออนั่นแหละนั่นแหละที่ผิดคือตรงนี้แหละนะที่คุณฝึกกันมาส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะจะพลาดตรงนี้แหละ<ส>คือท่านไม่ได้บอกให้ดักรู้ท่านบอกให้ตามรู้ดักรู้ก็คือไปเฝ้าไว้รอดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นส่วนตามรู้นะมันเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นไม่เหมือนกันนะ เน้นจิตตามรู้ปั ส, สนาแปลว่าการตามรู้จิตปัศนาแปลว่าการรู้อนุแปลว่าตามตามรู้จิตเนืองเนืองตามรู้เวทนาเนืองเนืองตามรู้ร่างกายเนืองเนืองตามรู้นะไม่ใช่ไปจ้องเอาไว้ลอยไปแล้วเห็นไหมไปดูเขาลืมตัวเองรู้สึกไหมเนี่ยหลงทางตาเห็นไ้มเนี่ยเราจะหลงตลอดวันนะใครมาดีหลังนะต้องแย่งกันนั่งหน้านะ เขาแย่งกันนั่งหน้านะนั่งหลังๆพอดูไปไม่ถึงนะกว่าจะไล่ข้างหน้าจบจบนี่หมดเวลาล้วหันรู้สึกตัวไปใจหนีไปอีกแล้วหลงไปอีกแล้วไปประคองไว้อีกแล้วอย่าประคองไว้ไม่กําหนดไม่ประคองรู้อย่างที่เขาเป็นรู้สึกไหมว่าทําอยู่ไม่เลิกทํารู้ไหมอยากเลิกไหมรู้ว่าอยาก ทันทีที่รู้ว่าอยากจิตเป็นกลางปั๊บการตรงแต่งนี้ดับหมดเลยเรารู้ลงสภาวะที่ถูกต้องแล้วเอแบแอบเนี่ยที่ถูกมันต้องเป็นอย่างนี้นะรู้สึกไหมสบายนะถ้าเมื่อไหร่ปฏิบัติแล้วหนักหนักแน่นแน่นแข็งแข็ ง, ขงซึมซึมทื่อๆต้องรู้นะว่าทําผิดแล้วนะเพราะว่าจิตที่เป็นมหากรุสุรจิตเนี่ยจะเบานะจิตที่เป็นมหากรุสุรจิตนะจะอ่อนโยนนุ่มนวลนะจิตที่มหากรุสุรจิต จะปราดเปรียวไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อนะถ้าของเราเวลาปฏิบัติรู้สึกไหมมันจะทําให้ซึมๆึมทื่อทนั่นอกูสนและจิตนะต้องระวังพวกเราเวลาเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้านระเรียนข้ามไป1ขั้นนะบทเรียนมี3บทศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาเราไม่เรียนจิตสิกขาเราอยู่ๆก็เอารักษาศีนแล้วเราต้องมากําหนดรูปนาม เราข้ามไปหนึ่งบทเรียนนะบทเรียนจิ ต, ตสิกขาต้องเรียนจนรู้จักลักษณะของจิตจิตชนิดไหนเป็นกุศลจิตชนิดไหนเป็นอกุศลจิตชนิดไหนเป็นกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาจิตชนิดไหนเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาจิตแบบไหนเอาไว้ทําสมถะจิตแบบไหนเอาไว้ทําวิปัสนาต้องรู้จักนะอย่า ง, น ง, ง เ, เนี้ยจิตหลงหลงคิดเออเนี้ยเี้ยเห็นไหยเอออย่างนี้ตื่นนะ เนี่ยจิตที่ตื่นจำได้ยังคนลบุรีอุตสานั่งรถมาหลายชั่วโมงได้แค่นี้ก็บุญแล้วเนาะ <c oughs> เอาไปทำนะไปทำเอาหลวงพ่อนะสอนเกอบเกี่เป็นลมทุกวันเลยทำไมโยมมาแต่ไหนกันเยอะแยะทุกวัน <c oughs> นิสัยหลวงพ่อนะชอบอยู่คนเดียวแต่ไหนแต่ไรเ <c oughs> ดี๋ยวนี้ต้องพูดทั้งวันเลย <c oughs> ใจลอยแล้วรู้ไหมใจลอยเนี่ยคือศัตรูหม่ยเลหนึ่ง เข่งเอาไว้กำหนดเอาไว้ประคองเอาไว้รักษาเอาไว้คือศัตรูหม่เลขสองวันนี้เป็นวันอาสาฬหะใช่ไหมอาสาฬหาบูชาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมะเรื่องอะไรนะจําได้ไหมอะไรนาะโอ้ตับปูอย่างน้อยยังมีคนจําได้ศาสนายังไม่เสื่อมเสียทีเดียวพระพุทธเจ้าสอนธรรมจักรกับประวัตนินสูตรกับปัญจวัคคี ยังไม่ได้เป็นพระเป็นนักบวชเป็นสมณะปัญจวัคคีเป็นเทศนากันแรกธรรมจักรเนี่ยถ้าเราสังเกตให้ดีเราจะพบความน่าทึ่งของธรรมจักรธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นด้วยการบอกว่าการปฏิบัติอย่างไรถึงจะเป็นทางที่ถูกธรรมจักรเริ่มต้นบอกว่าทางปฏิบัติที่ผิดมีสองทางเริ่มเรียนสิ่งที่ผิดซะ ก, ก่อนพวกเราด้วยนะ หัดรู้จักสิ่งที่ผิดก่อนแล้วมันถูกเองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมกันแรกเนี่ยไม่ได้บอกเลยว่าการปฏิบัติที่ถูกให้ทำอย่างไร <Yeah. S 1> ท่านกลับบอกว่าสิ่งที่ผิดมีสองอย่าง <Yeah. S 1> เป็นความสุดโต่งสองด้าน <Yeah. S 1> ด้านหนึ่งสุดต่งในข้างตามใจกิเลส <Yeah. S 1> เรียกว่าการสุขขันธิการหโยค <Yeah. S 1> เวลากิเลสมันครอบงาใจหรือเราตามใจกิเลสเนี่ยเราจะทำอะไรบ้าง <Yeah. S 1> เราจะวิ่งไปดู เราจะวิ่งไปฟังเราจะวิ่งไปดมกลิ่นริมรสสัมผัสเราจะวิ่งไปคิดนะทำไปตามที่กิเล ส, สั่งเช่นอยากดูก็เลยวิ่งไปดนะูทำไมท่านห้ามนะท่านบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ทางเมื่อจิตของเราวิ่งไปดูเราจะลืมรูปนามกายใจตนเองเราทดลองนะใครที่ไม่เคยมาเราช่วยดูพระพุทธรูปนะเนี่ยดำาๆเนี่ยองค์เนี้ยนะนะคนที่ไม่เคยมาพอให้ตั้งใจสังเกตให้ดีนะพระองค์นี้ หน้าตาเป็นแบบไหนสะเกตยอดแหลมๆของท่านเน่ยเอียงข้างไหนสะเกตเนี่ยมีแฉกแฉกกีแฉกสังเกตให้ดีนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะตั้งคําถามสังเกตไหมว่าขณะที่เราจดจ่อในการไปดูพระพุทธรูปเนี่ยเราลืมตัวเราเองรู้สึกไหมนี่เรียกว่าหลงดูนะพอแล้วหลวงพ่อเรียกให้ดูเพื่อจะให้รู้จักหลงดูนะรู้จักหรื อ, อยังหลงดูเป็นยังไง สังเกตไหมตอนที่เราไปดูเราจะลืมตัวเราเองนะขาดสติเรียบร้อยไปแล้วหนะลงไปดูถ้าใจเราไปจอนิ่งอยู่ที่เดียวนั่นคือการเพ่งนะแต่ถ้าดูดาด ด, าดัเนี่ยเดี๋ยวดูวันนี้ดูวันนี้ดูนี้ ด, ดูเรื่อยๆแล้วลืมตัวเองนะนี่คือการเผลอไปนะงั้นสิ่งที่ผิดก็มีเผล่กับเพ่งนะการเพ่งสังเกตไหมบางทีเราเริ่มลงมือปฏิบัติ ใ, ใจเราก็ทื่อๆกาหนดแ ล, แล้วก็แข็งทื่อๆนั่นเป็นการบังคับตัวเองเรียกว่าอัตติลมั ถ, ถานโยก สุดโตรงอีกข้างสุดโตรงมีสองข้างข้างตามใจกิเลสนะวิ่งไปดูวิ่งไปดูลืมตัวเองวิ่งไปฟังก็ลืมตัวเองแนละลงทดลองฟังวัดหลวงพ่อมีนกเยอะช่วยฟังแล้วลองพยายามนับว่ามีนกกี่ชนิดตั้งใจนะตั้งใจนี่เป็นแบบเรียนนะหลวงพ่อไม่ได้จะทําอะไรจับผิดพวกเราหรอกสังเกตไหมว่าพอเราตั้งใจฟังเราก็ลืมตัวเราเองรู้สึกไหม เราจะลืมตัวทั้งวันนะแล้วสังเกตต่อไปนั่งฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังไปคิดไปดูออกไหมฟังไปคิดไปฟังไปคิดไปคิดเดยอะกว่าฟังอีกดูออกไหมไม่เลิกเห็นไหมนี่ยหัดรู้อย่างนี้นะในสุดเราจะรู้สภาวะจิตของเราหลงไปทางตาเราก็รู้จิตหลงไปทางหูก็รู้จิตหลงไปในโลกของความคิดเนี่ยหลงทางใจเราก็รู้ทันทีที่รู้ว่ามันหลงไปแล้วเราจะตื่นขึ้นมาในฉับรันเล ไม่ต้องทําอะไรมันตื่นเองนะขอให้รู้สภาวะหลงปัจจุบันได้จะตื่นทันทีเลยนะงั้นทางผิดอันแรกเลยผิดสุดตรงเลยนะที่อันตรายที่สุดคือหลงไปหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดนี่หลงทั้งวันแล้วคนหลงกันทั้งโลกนะหากคนรู้สึกตัวหายากนะจิตที่หลงหลงเป็นจิตมีโมหนะเพราะงั้นจะสังเกตให้ดีจะเห็นนะคนมีจํานวนน้อยเสร็จสัตว์มีจํานวนเยอะนะเพราะว่ามีโมหะต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานฝูงหนึ่งฝูงหนึ่งเยอะนะ คนมีจํานวนน้อยเกิดทีละคนสองคนตัดเกิดทีหนึ่งเป็นร้อยเป็นพันเพราะว่าโมหะมันเยอะนีสุดโต่งที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้ า, าบอกไม่ให้ทําคือเผลอไปหลงไปตามใจกิเลสอยากดูวิ่งไปดูลืมตัวเองอยากฟังวิ่งไปฟังลืมตัวเองอยากรู้เรื่องวิ่งไปคิดแล้วก็ลืมตัวเองมีแต่เรื่องลืมตัวเองสุดโตันที่สองเรียก ว, ว่าอัตตากิยามัทธานิโยกการทําตนเองให้ลําบาก ทำตนเองให้ลําบากเนี่ยมีหลายดีกรีนะแต่ย่อย่อลงมาก็คือทํากายให้ลําบากกับทําใจให้ลําบากนะทำกายให้ลําบากก็เช่นทรมานกายต่างๆนานารวมทั้งพวกเราด้วยนะทรมานนิดหน่อยนะไปเดินเมื่อยจะตายใช่ไหมแต่เราเดินช้อปปิ้งไม่เมื่อยนะไปเดินจงกรมจะเมื่อยรู้สึกไหมเพราะอะไรเพราะเราดัดแปลงท่าเดินจําไว้นะการดัดแปลงท่าเดินหรือดัดแปลงอะไรก็าตามเกี่ยวกับกายกับใจเราเนี่ย เป็นแค่อุบายเท่านั้นอุบายของอาจารย์แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างการรู้กายเนี่ยอาจารย์สอนให้เราค่อยๆรู้ค่อยๆขยับค่อยอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนง่ายกว่านั้นพระพุทธเจ้าสอนที่สูตทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวคือไม่ใจลอยไปที่สูตทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวกายของเธอนีมันเป็นอย่างไรมันอยู่ในอาการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้น กายมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ไปแกล้งดัดแปลงอาการทางกายคนะละอันกันนะงั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนกับสิ่งที่อาจารย์รุ่นหลังๆท่านสร้างขึ้นมาเนี่ยไม่ค่อยตรงกันแต่อาจารย์สร้างขึ้นมาเนี่เป็นอุบายเป็นแทคกติกอาจารย์เคยทําอย่างนี้แล้วรู้สึกดีก็เอามาสอนเราพวกเราก็เลยไปติดรูปแบบจนกระทั่งละเลยเนื้อหาสาระที่พระพุทธเจ้าสอนจุดสําคัญนะจะรู้กายเนี่ยพระพเจ้าสอนที่สูทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวเป็นไหม มีแต่ลืมตัวเใช่ไหมรู้สึกตัวไม่ได้แปลว่าเพ่งไว้ด้วยนะของเราพอจะไปรู้ท้องเราก็เพ่งท้องรู้มือก็เพ่งมือรู้ลมหายใจเพ่งลมหายใจรู้เท้าก็เพ่งเท้าเพ่งเหมือนที่เพ่งยอดพระพุทธรูปเมื่อกี้นึกออกไหมเพ่งแล้วใจจอนิ่งๆมั้ยเนี่ยจิตใจมันเป็นของที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแสดงไตรลักษณ์ตลอดเลยเราไปเพ่งให้มันนิ่งๆนี่ทรมานใจนะส่วนกายก็ทรมานกายนะ ต้องอย่างง้นต้องอย่างนี้ต้องอดข้าวต้องนอนบนน้ำนะต้องเดินท่านี้ช้าๆต้องขยับท่านี้นี่ทรมานทั้งนั้นรู้อย่างที่เขาเป็นสิง่ายๆนะที่สุดทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวในการยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเหลียวซ้ายแลขวานะคลองท่าจีวรสังฆาติข ย, ขยับขยื่นอนใรนีอรู้สึกรู้สึกคือไม่ใจลอยไปในขณะเดียวกันก็ไม่เพ่งกายด้วย คำว่ารู้สึกก็คือไม่เผลอไปใจลอยไปไม่ไปเพ่งเหมือนไม่ด้วยรู้สึกกายเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นมันขยักหน้านนเห็นไหมมันขยับขยับเนี้ยรู้สึกไหม<น>ถ้ารู้สึกถูกต้องแล้วมันจะตื่นขึ้นมาเหมือนกับที่รู้ทันม่าจิตไปคิดนั่นแหละเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะรู้กายหรือรู้ใจถ้ารู้ถูกต้องนะสติเกิดเหมือนกันเปรียบเลยนะไม่มีหน้าสายกายสายจิตอะไรนั่นเป็นของหลอกเด็กเนะบื้องต้นบางคนดูกายก่อนดูกายแล้วก็ดูจิต มาคนดูจิตก่อนดูจิตแล้วมันก็รู้กายรวมความแล้วก็คือรู้ทั้งรูปทั้งนามนั่นแหละรู้แล้วเป็นยังไง ร, รู้แล้วก็เห็นความจริงของรูปของนามพระพุทธเจ้าท่านเลยสอนบอกว่าสุดตรงสองข้างไม่เอาเหลอไปตามใจกิเลสกับบังคับกดข่มตัวเองทําให้มันทื่อๆลําบากอย่างเงี้ยไม่ลําบากมาสิบปีเอออย่างนี้นะถึงจะไม่ลําบากแยกได้ยัง อ, อนะ เอ่แ ย, ยกได้ก็ดีได้ไม่โมโหโหลวงพ่อบางคนแยกไม่ได้นะโมโหโหลวงพ่อหาว่าใส่ลายป้ายสีมีนะผู้หญิงคนนึงหลวงพ่อบอกอา้าวรู้สึกตัวไว้ดิฉันรู้สึกตัวตลอดไม่เคยเผลอเลยเลยถามแล้วดิฉันอนะพระอรหันเหาอนะเลยรู้สึกตัวตลอดได้ยังไงนะเผลอไปแล้วไม่รู้จักว่าเผลอสิก็เลยรู้สึกว่ารู้สึกตัวเนี่ยเผลออย่างน เ, เนี้ยเผอวิจิตเนี่ย เห็นไไปดูเขาลืมตัวเองใจลอยแวบแวบแวบไปเนี่ยใจลอยอีกแล้วรู้ไหมพยายามไปสังเกตแล้วรู้ไหมให้รู้ทันอย่างนี้นะรู้ทันพฤติกรรมของจิตตนเองไปเรด่วยไปอีกแล้วแต่ไม่ใช่บังคับไม่ให้ไปนะไปแล้วรู้ว่าไปไม่ใช่บังคับให้นิ่งห้ามบังคับสรุปนะพระพุทธเจ้าเทศนาการแรกสอนอย่าลงตามกิเลสไป หรือใจลอยไปอย่าทำตัวเองลำบากอย่าบังคับกายอย่าบังคับใจทางสายกลางอยู่ตรงไหนให้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงถ้าเมื่อไรเราเผลอไปเราจะรู้กายรู้ใจไม่ได้ถ้าเราเพ่งไว้กำหนดไว้ประคองไว้ควบคุมไว้เราจะรู้กายรู้ใจที่ไม่ตรงความเป็นจริงเพราะมันนิ่งผิดความเป็นจริงมันไม่แสดงใตรักหรอกมันทื่อๆอยู่นะกี่วันก็ทื่อๆนะกี่ปีก็ทื่อยิ่งฝึกจนแก่นะยิ่งบังคับเก่ง ก็รู้สึกว่าจิตเป็นอัต ต, เตาเป็นของบังคับไดนะ้เห็นโน่นไปเลยนะเป็นมิจฉาทิฏฐิไปต้องระวังนะดูของจริงจะเห็นบังคับไม่ได้ดังนั้นการที่รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนี่แหละเรียกว่าการเจริมสติทางสายกลางอยู่แค่นี้เองเราจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ถ้าไม่สุดตรงสองข้างถ้าเผลอไปเราจะรู้กายรู้ใจไม่ได้นะเผลอไปดูก็ลืมกายลืมใจเผลอไปคิดก็ลืมกายลืมใจ ในสุดโตข้างหลงถ้าเราไปเพ่งเอาไว้เราก็รู้กายรู้ใจไม่ตรงความเป็นจริงเพราะหัวใจของหลักของวิปัสสนาให้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงถ้าเผลอรู้กายรู้ใจไม่ได้ถ้าเพ่งเอาไว้กําหนดเอาไว้กายกับใจเซนิ่งผิดความเป็นจริงถ้ารู้ตามความเป็นจริงแล้วอะไรจะเกิดขึ้นตอนท้ายท่านจะจบธรรมจักด้วยบทนี้ละแล้วท่านบอกจักขึงอุตปาทิดวงตาเกิดขึ้น อันนี้เป็นจำนวนของหลวงพ่อพุธนะไม่ใช่ของหลวงพ่อหลวงพ่อพุธท่านเปรีเทศให้ฟังจากพงอุตปาที่ท่านแปลอย่างนี้ไม่เหมือนตำราทีเดียวท่านบอกว่ามันเป็นดวงตาภายในนี่เกิดขึ้นสามารถเห็นตัวสภาวะเนะช่นเราเห็นว่าจิตเราวิกงไคิดแล้วนะเห็นว่าจิตเราไปเพ่งแล้ว เ, เห็นตัวสภาวะนเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมสิ่งที่เรียกว่าธรรมของท่านท่านหมายถึงรูปธรรม ร่างกายเคลื่อนไหวใมีดวงตาเห็นคือมีความรู้สึกรู้สึกถึงรูปที่เคลื่อนไหวจิตใจเคลื่อนไหวแล้วก็มีดวงตาเห็นคือรู้สึกถึงจิตใจที่เคลื่อนไหวต่อไปเราก็จะเกิดญาณอุทปาทิความอย่างรู้เราจะเห็นเลยว่าสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่นั้นนะมีแต่ความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่คงที่หรอกร่างกายของเราก็ไม่คงที่จิตใจของเราก็ไม่คงที่เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย นะเดี๋ยวเป็นกุศลเดี๋ยวเป็นอกุศลเดี๋ยววิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูวิ่งไปทางใจมีแต่ของเปลี่ยนแปลงนะพราะอย่างรู้ตามรู้นานๆไปปัญญาจะเกิดเขาบอกปัญญาอุตาตาทิปัญญาเกิดขึ้นปัญญาคือความเข้าใจไตรักษ์นั่นเองจะเห็นเลยว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งมีเหตุที่เกิดหมดเหตุทีดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบังคับไม่ได้นะไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้เนะี่ยปัญญาจะเห็นอันนี้ ต่อไปวิชาอุทธปถาที่ความอย่างรู้ในอริยสัจรู้เลยว่ารูปนามกายใจเนี่ยไม่ใช่ตัวเรานะเป็นตัวทุกข์เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวเราหรอกแต่ถ้าเราเกิดไปอยากไปยึดเข้านะใจเราจะปล่อยทุกข์ไปด้วยเนี่ย เ, เรียกว่ามีวิชาแล้วพอจะเข้าใจอริยสัจที่นิดหน่อยนอยัยงไม่แจ้งทีเดียวหรอกคนที่แจ้งอริยสัจคือตาอรหันต์เท่านั้นนะเข้าใจยากนะอริยสัจ เสร็จแล้วท่านบอกว่าตัวสุดท้ายเลยอาโลโกอุทปาธิเกิดส่วนไหมอาโลโกอุทปาธิแสงสว่างเกิดขึ้นนี้มันเป็นกระบวนการของการเกิดอริยมรรคในขณะที่จะเกิดอริยมรรคเนี่ยอย่างเราตามรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจไปตามที่เขาเป็นไม่เข้าไปเพ่งไว้บังคับไวนะถึงจุดที่กําลังอินทรีย์ของเราแก่กล้าพอแล้วจิตจะรวมเข้าอปปนาสมาธิรวมเองนะไม่ต้องน้ามใจรวมจะรวมของเขาเอง ถัดจากนั้นเนี่ยจะเกิดสภาวะธรรมเกิดดับขึ้นมาสองขณะหรือสามขณะแต่ละคนไม่เหมือนกันคนไหนที่ปัญญาแก่กล้าจะเห็นสภาวะธรรมเกิดดับขึ้นสองขณะเท่านั้นคนไหนที่ปัญญาไม่แก่กล้าเนี่ยจะเห็นสามขณะถัดจากนั้นเนี่ยจิตจะเริ่มปล่อยวางการรับรู้ตัวสภาวะธรรมที่เกิดดับเนะี่ยจะเริ่มทวนแกระแสะเข้าห า, าธาดรู้ เมื่อทวนกระแสเข้าห า, าธาตุรู้แล้วเนี่ยธาตุรู้สิ่งอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มาธาตุรู้อยู่นี้จะถูกอริยมรรคทาลายลงไปมันจะแหวกออกไปเสร็จแล้วแสงสว่างก็จะปรากฏขึ้นจากความไม่มีอะไรนะี่ครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังนะไม่ใช่หลวงพ่อเล่าเองหรอกในสุดแสงสว่างเกิดขึ้นมาทําไมมีแสงสว่างเกิดขึ้นเพราะจริงๆแล้วตัวจิตแท้ๆเนี่ยตัวธรรมชาติรู้ล้วนๆแท้ๆ ไม่มีรูปลักษณะอะไรที่ให้สำคัญมั่นหมายรู้ได้เลยเขาก็แสดงความมีอยู่ของเขาขึ้นมาการเป็นแสงสว่างขึ้นมานแล้วก็เป็นความเบิกบานขึ้นมาหลวงปู่ดุจะเรียกว่าจิตยิ้มตรงนี้นจิตไม่กระบวนการของมันมีนะตรงที่มันประหารแวบสังโยชน์ออกไปตัดอาสวะขาดลงชั่วคราวนีหนึ่งขนาดจิตเท่านั้นไม่มี2ขนาดนตรงที่เข้าไปรู้ นิพพานแท้ๆไม่มีอะไรเลยนะสองขนาดบ้างสามขนาดบ้างแล้วแต่และคนไม่เหมือนกันถ้าจากนั้นจิตจะถอนออกจากอ ป, ปนาสมาธิถอนออกมาอยู่กับโลกข้างนอกแล้วจิตมันจะทวนเลยว่าที่ผ่านมาตะเกียเกิดอะไรขึ้นกิเลสตัวไหนหายไปแล้วกิเลสตัวไหนยังอยู่มันจะทวนกระแสย้อนกลับไปดูมันจะไม่สงสัยนะ้นจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจบธรรมจักก็จะจบลงตรงนี้ ตรงที่จักขงอุทตปาทิดวงตาเกิดขึ้นญาณอุตตปาทิญาณคือความอย่างรู้เกิดขึ้ น, นปัญญาอุทตปาทิคือความเข้าใจใรลักณเกิดขึ้นวิชาอุทตปาทิความเห็นอริยสัจเกิดขึ้นอาโลโก อ, อุทตปาทิแสงสว่างเกิดขึ้นค่อยตามรู้ตามดูนะเพราะงั้นต้นทางของการปฏิบัติคือรู้สึกตัวบ่อยๆไม่ใช่เพ่งเพ่งไวจะไปพรมโลกนะเพ่ง พอรู้เรื่องไหมหลวงพ่อชอบนะคนที่ฝึกรู้รูป ร, รู้นามเนี่ยปรับนิดนิดหน่อยหน่อพอเข้าใจแล้วพวกเพ่งมาเพ่งเพ่งแล้โอ้แกยากมากแต่ที่ฝึกแบบคุณแล้วไปเพ่งนี่เยอะมากเลยนะเพ่งจนเพี้ยนเพียนไปเลยก็มีเยอะลง น, นะใจลอยแล้วรู้จักไหมเนี่ยหันไปดูเขาลืมตัวเองรู้สึกไหมหัดอย่างนี้นะหัดไปเรื่อย ไหนคนลบบุรีหมดหรื อ, อยังไทีมลบบุรีหมดหออยังจะได้ดูทีมอื่นบ้าง <c oughs> นะมานั่งหน้าเลยเนาะเอาหุ้งเป็นไงฮู้ส่งกันบ้าน <c oughs> อ, อมันมีหน้าที่คิดคิดไปคิดไปแล้วใจเราไม่ชอบไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบนะรู้เรื่องอย่างโดนมาหลายทีแล้ววิธีฝึกนะง่ายๆนะ ขั้นแรกเลยวิเคราะห์ตัวเองเราเป็นพวกไหนจริตของเราเป็นตันหาจริตพวกโลภมากหรือว่าเป็นพิธิจริตพวกคิดมากในความเป็นจริงแต่ละคนจะผสมกันแหนะแต่ว่าตัวไหนจะเด่นทุกคนมีทั้งตันหาและพิธิแต่ว่าแล้วแต่ตัวไหนจะเด่นถ้าคนที่รักสุขรักสบายรักสวยรักงามรักความสงบสุขไม่อยากสูกสิ่งกับใครก็มีนะชอบสนุกเฮฮาไปเลยก็มีในสุดโต่งสองข้าง พวกนี้ให้มารู้กายไว้คนไหนชอบคิดคิดทั้งวันคิดแล้วคิดอีกคิดไม่เลิกวิเคราะห์วิจัยวิจารวิภาคนะวิวิทั้งหลายนะจนสุดท้ายวิปลาดนะวิวิทั้งหลายเนี่ยให้มาดูใจตัวเองไว้ถ้าใครจะดูกายทําความสงบก่อนนะง่ายๆเลยดูท้องฟองยุบ ก, ก็ได้อย่างที่เราเคยทำนั่นแหละนะดูไปแล้วก็ให้ใจของเราสงบอยู่กับท้อง เคล็ดลับของการทําความสงบนี่มีเคล็ดลับด้วยนะหลวงพ่อจะมีเคล็ดลับเยอ ะ, ะเคล็ดลับของการที่จิตจะสงบได้เร็วจะต้องมีความสุขไม่ใช่หลวงพ่อสอนเองนะถ้ะอาอภิธรรมสอนไว้บอกความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิแต่พวกเราจะกลับข้างนะเราคิดว่าสมาธิทําให้มีความสุขแต่ความจริงแล้วความสุขเป็นเหตุให้เกิดสมาธิเช่นคนไหน มีความสุขในการเล่นไพ่จะมีสมาธิในการเล่นไพ่ตำรวจมายังไม่รู้เลยมีความสุขที่ได้อ่านหนังสือจะมีสมาธิในการอ่านหนังสือเราชอบวิชานี้เราไปเรียนวิชานี้มีความสุขที่ได้เรียนวิชานี้เราจะมีสมาธิในการเรียนวิชาเฉะนั้นความสุขเนี่ยเป็นเหตุใกล้ของสมาธิใจจะตั้งมั่นอารมณ์ใดที่ทำให้ใจเป็นสุขใจก็ชอบไปตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์นั้น เพรนถ้าเราต้องการทําให้จิตใจเรามีความสุขนะต้องทําให้สบายนะนะสมมติเราจะดูท้องฟองยุบอย่าไปเริ่มต้นด้วยอยากให้สงบนะดูเล่นๆดูสบายๆเหมือนเวลาเรานอนไม่หลับถ้านอนไม่หลับแล้วงุนหงิดอยากนอนให้หลับนะจะไม่หลับเลยแต่ถ้านอนเล่นๆ เ, เ, เดี๋ยวๆก็หลับนะเช่นเราจะฝึกกรรมฐานเราั่งดูเมื่อแล้วเราก็ลงไปนอนจะกเอามือวางที่ท้องจะดูฟองยุบนะแต่เดี๋ยวๆหลับแนะ เามันสบายใจจิตใจมันสบายมันก็สงบง่ายเพนั้นเวลาจะทำสมาธิต้องการพักผ่อนนะทำใจสบายๆนะบางคนจะพุทโธก็พุทโธอย่างสบายใจพุทโธพุทโธไปสบายๆหายใจออกหายใจเข้าหายใจสบายๆนี่มีเคล็ดลับในเรื่องหายใจหายใจออกก่อนนะอย่าหายใจเข้าก่อนถ้าเริ่มต้นด้วยหายใจออกก่อนใจจะเบาสบาย ถ้าเริ่มต้นด้วยหายใจเข้าก่อนนะใจจะ ก, กระด้างแข็งแขนะ็งคอยดูนะแต่และอันมีเคล็ดลับมากมายนะมีคล้ายๆสำนักวิทยายุจนะมีเคล็ดลับแต่ถ้าห่าหลวงพ่อพุธท่านเคยสอนนะสมาธเริ่มเมื่อหมดความจงใจนี่ถ้าจงใจทําอยู่นะไม่สงบหรอกมันทําด้วยรูปะไม่สงบหรอกวิปัสสนาเนี่ยท่านสอนวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิด ใจเราไปคิดอยู่นะคิดพองคิดยกคิดโน้นคิดนี่อยู่อะไรเนี้ยมันไม่ขึ้นมีปัจจนาหรอกยังคิดอยู่มีปัสจนาเริ่มเมื่อหมดความคิดทันทีที่เราไม่คิดเราจะรู้รูปนามได้ถ้าเมื่อไหร่เราคิดเราจะรู้เรื่องที่เราคิดก็ล่ากันมันจะไม่รู้รูปนามเพราะงั้นคอยรู้รูปนามใจเราไม่หลงคิดปุ๊บเราจะรู้กายรู้ใจได้ใช่ไมอันเนี้ยหลงคิดลืมกายลืมใจนึกออกไหมอันเนี่ยพอไม่หลงคิดจะตื่นขึ้นมา อย่าหลงคิดสร้งใหม่แล้วทราบไหมแล้วทําไงดีอออย่าจ้องไว้ไจ้องมากไปแค่สักว่ารู้น ะ, ะเห็นไหมเมื่อกี้สักว่ารู้นิดหนึ่งปล่อยปล่อยแล้วตอนนี้รวบเข้าใหม่อีกแล้วรู้สึกไหมไปดูไปนะคนนี้พอเรียนง่ายไม่ยากบางคนเรียนยากนะฟังหลวงพ่อพูดตั้งยี่สิบกว่าปียังไม่รู้เรื่องก็มีนะคงต้องตายกันข้างหนึ่งก่อน อา้าวอย่าส่งเยอะนะสั้นๆเออยังยังประคองอยู่ขณะเนี้ยก็กําลังประคองอยู่รู้สึกไหมใจทื่อๆเอเ อ, อเลิกถ้าเลิกลืมเรื่องปฏิบัติไปพอลืมเรื่องปฏิบัติปุกมันเลิกประคองเลยเมันไม่ใช่ประคองเองมันเคยชินที่จะประคองฝึกมาแบบนี้แหละจนฝึกประคองเก่ง เออไม่เอานะถอยขึ้นมาเลยถอยออกมาทิ้งให้หมดเลยเหวินดูรู้แล้วก็ถอนลมนิดนึงอย่า ง, งั้นไม่ใช่ไม่ใช่ถอนลมหมายถึงว่าอย่าไปสนใจมันอย่าไปนั่งจ้องมันไว้ลืมมันไปซะขนาดเห็นให้ลืมเลยเออขนาเห็นของคุณนะของคนอื่นไม่เกี่ยวนะแต่ของคุณนะพอไปรู้อะไรนะปล่อยเลยอย่าไปเอามันถ้าไปคิดจะดูมันให้ชัดเนี่ยมันจะถลําลงไปแช่ใจจะลงไปแช่เพราะว่าอยากรู้ให้ชัด นั่นและเราไปจ้องใส่มันใช่ไหมหลวงพ่อถึงบอกไงโยนมันทิ้งไปอย่าไปดูมันอะไรนะโยนทิ้งไม่ดูมันทิ้งไม่ดูที่จิตแต่มาดูที่รูปถมันจะับรู้อะไรก็ได้ลืมลืมเรื่องปฏิบัติไปสักบ้างนะ แล้วทิ้งไปหมายถึงว่าเลิกปฏิบัติเลยใช้ชีวิตธรรมดาเหมือนคนธรรมดานี่แหละนะแต่ว่าเราเดินเล่นอย่างเงี้ยเราเห็นหมาบ้าวิ่งมาแล้วใจเรากลัวขึ้นมาเรารู้ว่ากลัวนะอย่างงี้ดีแต่ถ้าเราเริ่มต้นจายการไปนั่งรอดูมันจะทื่อๆขึ้นมาอย่าไปรอดูขผมพูดชอบไปรอดูอย่าไปเฝ้าไว้ยังไปเฝ้ารู้รู้สึกไหมไปดักไว้ไปเฝ้าอย่าไปเฝ้านะ นี่ยมันมันไม่รู้สึกเลยอย่างแก้ไม่ออกใจมันเคยชินเราฝึกจนเคยชินที่จะไปประคองไวนะ้แต่ว่าเบาลงไปเยอะแล้วรู้สึกไหมนะค่อยๆทำไปนะอดทนนะเรียนมันยากยากเพราะว่าใจของเราเคยชินกับการไปประคองไว้ซะแล้วเนะี่ยใจลอยแล้วรู้สึกไหมไอ่รับหนึ่งดีแล้วดีที่ใจลอยใจลอยแล้วรู้ไวๆแค่นั้นพอแล้ว ไม่ประคองนะไม่กลัวใจลอยนะอยากใจลอยให้มันใจลอยไปแล้วเราก็รู้ว่ามันใจลอยดีกว่ากลัวมันจะใจลอยเลยนั่งเฝ้าเอาไว้อา้าเชิดถาว่าไงเชดฐาโตขึ้นเยอะเลยหลวงพ่อไม่เห็นหน้าไม่กี่เดือนดีแล้วขยันดูนะเดี๋ยวเราจะไปชกใครเขาเราชีโบโอโหใครดูของเราไว้ หายโมโหยังไหนนี้โมโหน้อยลงไหมดีละเออดีแล้ออแลนะบุคลิกดีขึ้นเยอะเลยระวังสาวมาเอาไปหน้าถ้า <c oughs> เรารู้เนื้อรู้ตัวผ่องใสนะคุณมนดูที่ผ่องใสไหมผ่องใสเนี่ยออรู้ตัวทั้งหมดเพราะผ่องใสละระวังสาวสาวมหลอกเอาไปน่า <c oughs> เออนั่นแหละรู้รู้ไปเรื่อยเรื่อ นะฝึกไปงันแหละฝึกรู้รู้ไปเอาคุณวิชาว่าไงคุณวิชาเป็นไงเป็นไงอ้าตอบถูกแหมถูกใจแล้วคุณปีน้าเห็นแวบบ๊แบๆบหลบเป็นอออยู่นี่หรือว่าหลบบางเด็กเป็นไงคุณปีนาอะไรแย่ล่ะอะไรนะ หล่มไปการมก็คือจิตถูกอกุศคลคราบงำให้รู้ไปอย่าไปโมโ oh. หรู้ช้าดีกว่าไม่รู้เลยนะรู้ช้าดีกว่าไม่รู้รู้ช้าไม่เป็นไรคุณปิยนาถเราไม่ได้คาดหวังว่าต้องรู้เร็วนะสติก็เป็นอนัตตาจะเกิดหรือไม่เกิดเราสั่งไม่ได้หรอกนะพวกเราคิดว่าสติเป็นอัตตาจะบังคับให้เกิดนะนะทำ ท, ท, ทื่ออีกแล้ว หลวพ่อบ่าให้เป็นตัวอย่างพอจิตของเราจําสภาวะได้แล้วว่าเอเผลอไปคิดเป็นนี้ประคองเอาไว้เป็นอย่างนี้ถ้าจิตมันจําได้แล้วต่อไปพอมันเป็นอะไรมันเผลอนะสติก็เกิดมันประคองสติก็เกิดมันจะตื่นขึ้นมาเหตุใกล้ให้เกิดสติคือการที่จิตจําสภาวะได้จิตจะจําสภาวะได้ถ้าเราเคยเห็นสภาวะบ่อยๆการเห็นสภาวะบ่อยๆเนี่นะภาษาบาลีเรียกอะไรรู้ไหมเรียกอนุปัสนาเนี่ย คอยตามรู้สภาวะของร่างกายบ่อยๆเรียกว่ากายานุปัสสนาตามรู้สภาวะของเวทนาบ่อยๆนะเรียก่าเวทนานุปัสสนาตามรู้สภาวะของจิตเดี๋ยวเป็นกุศลเดี๋ยวเป็นอกุศลเดี๋ยวโลภโกรธหลงฟุ้งซ่านดผูอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวสงบนะนี่ก็เป็นวิปัสสนามันจะตามรู้ตามรู้ได้ๆถ้าตามรู้ถูกต้องใจก็จะตื่นนะรู้กายเราก็เกิดสติ ท, ทันทีที่สติเกิดนะ สภาวะเหมือนกับที่รู้จิตแล้วสติเกิดเลยเหมือนกันเปรียบเลยเหมือนรู้กายนะสติก็อันเดียวกันสัมมาสมาธิก็อันเดียวกันปัญญาก็อันเดียวกันคือเห็นใจรักษณ์าฉะนั้นหลกภาพไม่ได้เน้นให้รู้กายหรือรู้จิตหรอกนี่พวกเราทํารู้กายมาเยอะแล้วเราข้ามไปบทเรียนหนึ่งข้ามจิตศิกขาเคยเรียนตรศิกขาไหมศีลสิกฐ์ขาจิตสิกฐ์ขาปัญญาศิกขาบทเรียนทางศาสนาพุทธมีสามบทนะ เราข้ามไปบทหนึง่งมื่อเราหัดรู้เท่าทันพฤติกรรมของจิตไปได้แต่ต่อไปพอจิตของเรารู้ตัวตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะรู้กายเราจะเห็นกายตนี้ไม่ใช่ตัวเราทันทีเลยถ้ารู้ลงที่จิตยังเห็นจิตเป็นเราอยู่เพราะมันคุ้นเคยแต่เฝ้ารู้เฝ้าดูนานๆไปลากความเห็นผิดว่าจิตเป็นเราตรงนี้เป็นพระโสดาบันเชิดฐาใจลอยเออลงไปคิด ตอนนี้หลงคุยแล้วรู้ไหมเ <c oughs> ชิดาเขารู้ไปเขินแล้วรู้ไหม <c oughs> ใจมันเขินเมื่อกี้มันเขินเขินเขินก็รู้ว่าเขินมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงัน <c oughs> เออรู้แล้วมันก็เกิดดับให้ดูไม่ต้องทำอะไรหรอกมันของไม่เที่ยงนะเมื่อนั้นไม่ต้องไปบังคับมันแค่รู้สึกตัวขึ้นมารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงถึงยังไงก็ต้องเห็นใจรัก แต่ถ้ารู้กายรู้ใจไม่ได้เห็นไตรลักษณ์ไม่ได้อย่างเก่งก็แค่คิดเรื่องไสรลักษ์ใช้ไม่ได้หรอกอาจารย์สุรวัตรส่งกันบ้านไหมเรีย น, นเลี้ยงลูกยุ่งแต่มันก็ยุ่งจริงอย่างนี้สาวเป็นไงสาวต อ, อตบดีตับเป็นไตรลักษ์อีกแล้ว แล้วดีขึ้นเยอะแล้วใครรู้ไปเรื่อยๆนะอย่าขี้เกียจนะดูไปเรื่อยๆจิตใจเราสว่างข่องใสขึ้นเรื่อยๆดูไปผู้หญิงต้องฝึกนะผู้หญิงฝึกจเจริญสติไว้แล้วจะแก่ช้าแล้วหน้าตามจะผ่องใสมีความสุขนะมันสวยอัตโนมัตินะคนไหนขาดสติหน้านิ่วที้ขมวดนะอายุไม่เท่าไหร่ก็เหี่ยวเต็มจีแล้วหน้ามันย่นนะขมวดทั้งวัน รู้สึกไปจิตใจเบิกบานมีความสุขแก่ช้าหน่อยอา้าวยี้รู้สึกยี้รู้สึกไว้อมอภัยเป็นไงวันนี้ไล่กรรมการวัดสักทีว่าไงอะไรนะโอพูดเป็นไตรลักอีกคนละ <c oughs> พูดอย่างนี้หลวงพ่อว่าไม่ได้นะหลวงบ้างรู้บ้างก็ถูกแล้วนี่แต่เวลาหลวงแล้วรู้รู้ไหวไหม ถ้าหลงแล้วรู้ไวใช้ได้เราวัดความก้าวหน้าของการปฏิบัตินะก็คือสติเกิดเร็วไหมถ้ายิ่งฝึกไปแล้วสติเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นก็ถือว่าเราเก้าวหน้านะในถึงเผลอๆ เ, เ, เนี่ยเผลอจะสั้นลงเลยด้วยพอเราใจลอยแวบรู้สึกแวบรู้สึกนะคนที่ไม่เคยเจริญสติเผลอวันละครั้งนับปฏิบัติเผลอร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแล้วคนที่ไม่เคยเจริญสติเผลอครั้งเดียวตั้งแต่ตื่นจนหลับเผลอทั้งวัน นัปฏิบัติจะแวบรู้สึกแวบรู้สึกเนี่ยแวบไปและวใช่หไหมมันแบล็งไปเฉยๆยงั้นนะใช่ไให้รู้เฉยๆไม่ได้ห้ามมันรู้เพื่อให้เห็นความจริงว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของบังคับไม่ได้จับหลักให้แม่นนะรู้เพื่อให้เห็นความจริงไม่ใช่รู้เพื่อบังคับส่วนสมถานะั่นรู้เพื่อจะฝึกให้มันนิ่งคนละอันกันคุณหันสาใช่ไหมเป็นไงส่งกันบ้าน แล้วอะไรมันเยอะหลงนานไหมหลงนานไหมก็พิ้งหลงก็รู้ว่าจำนวนในแต่ละวันใกล้เคียงกันหลงมันมากกว่ารู้อยู่หนึ่งเท่านั้นแหละหลงยาวไหมคุณทันษา ไม่ใจตอนนี้ใจตอนนี้เป็นยังไงขณะจิตเนี้ยรู้สึกกลัวไหม <Okay. S 1> ประคองไว้ดูออกไหม <Okay. S 1> ไปควบคุมมันหน่อยๆดูออกไหมว่าควบคุมไว้เลิกสะเอาใครจะถามอะไรเชิญนะ <Okay. S 1> พวกเก่าๆคนไหนจะส่งกันบ้านเชิญ mm hmm. หลวงพ่อดูไม่ถึงนะสายตาไม่ดี <Okay. S 1> อะไรนะ ขอกันปะก็ถ้าสติมันรู้กายแล้วก็รู้กายถ้าสติมันรู้จิตแล้วก็รู้จิตเสียสินะอะไรก็ได้แล้วแต่มันจะรู้เราเลือกไม่ได้หรอกบางครั้งมันก็รู้กายบางครั้งมันก็รู้จิตเวลากิเลสเกิดคุณชัดพรเห็นเร็วขึ้นไหมล่ะนะเห็นเร็ว<ส>ก็ใช้ไ<ส>ด้ะตอนนี้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยลงไปแช่แล้วดูออกไหม ดีขึ้นนะดีขึ้นเยอะเลยเมื่อก่อนชอบลงไปนอนแช่นิ่งๆแต่แช่แล้วไม่เกิดปัญญาถอยขึ้นมาอย่างเงี้ยรู้สึกไม่ใจเราเปลียนทั้งวันถ้าแช่แล้วมันก็นิ่งๆทั้งวันนะไม่ลงไปแช่ดีแล้วตอนนี้ไม่ลงแล้วอาจารย์จุนจ น, น่าสงสารนะช่วยปลอบใจอาจารย์จุ น, จนเครียดงานเยอะเหรอะอาจารย์แล้วเป็นคณะวดียังยังเนะขออวยพรอย่ า, ยาได้เป็นเลย จนจุนนี่ไม่อยากเป็นใช่เลยแต่ถ้าจำมันจัดสรรก็ต้องเป็นนะจยนจุ น, น ไ, ไม่ละหรอรู้ความจริงไปเลยว่ากิเลสทุกอย่างนะมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปไม่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วแต่ดับไปทั้งสิ้นเคยโกรธไหมเคยโกรธนานที่สุดเท่าไหร่เคยโกรธเป็นวันๆไหม หรือเคยโกรธเป็นชั่วโมงไหมไม่จริงหรอกรู้ไหมพวกเราจริงๆเราโกรธทีเราแวบเราคิดทีโกรธทีคิดทีโกรธทีมันไม่โกรธยาวๆหรอกงั้นอย่างสมมติเราขับรถอยู่คนมาปาดหน้าเราแป๊บเรามองมันหมามันปาดหน้าเรานะเราก็คิดหน่อยแน่สักแค่ไหนวะอย่างเงี้ยก็โกรธขึ้นมาคนทั่วๆไปพอโกรธก็จะไปมองให้คนที่ทําให้เราโกรธจะไปหาทางปาดคืนหรือไม่กดแจด แต่ น, นักปฏิบัติเนี่ยพอสู่พราปาดหน้าปุ๊บคิดนิดนึงแล้วโกรธขึ้นมาเราจะเห็นว่าความโกรธเกิดขึ้นที่ใจเราเราควรจะดูใจเรานะเมื่อเราดูใจเราอยู่เนี่ยเราไม่ได้ผิดคิดเรื่องของนายคนที่ปาดหน้าเราเหตุของความโกรธก็หมดไปคือเราไม่ได้ผิดคิดใหม่นะความโกรธนี้จะดับไปเราก็จะเห็นเลยพอเรารู้ว่าโกรธปุ๊บเดี๋ยวึงความโกรธจะหายไปที่มันหายไปไม่ใช่เพราะเราไปเก่งเราไปเพ่งมันเข้าไปดูมันเข้าหรอก เพราะเราไม่ได้ไปทําเหตุของความโกรธให้เกิดขึ้นเราไม่ไปคิดเรื่องที่ไม่ดีถ้าเราคิดใหม่ก็โกรธใหม่ในเกณฑ์แม่เราโกรธใครสักคนนะถ้าคิดใหม่โกรธใหม่นะไม่ใช่คิดใหม่ทําใหม่คิดใหม่โกรธใหม่นะทําใหม่ก็ได้ทําโทสะขึ้นมาใหม่เพราะฉะั้นความโกรธจริงๆเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนะหลวงพ่อเคยถามบอกว่าใครเคยโกรธนานๆบ้างตอนตั้งวัดใหม่ๆหลวงพ่อจำไม่ได้แล้วผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยกเลยหนูโกรธ โกรธนานเท่าไหร่โกรธปีกว่ากว่าโว้โกรธเก่งจริงๆปีกว่ากว่าบโกรธผู้ชายมันมันหักอกเอาอกหักอ่ะก็โกรธไอ้ผู้ชายคนนี้ยโกรธอยู่ปีกว่ากว่าบเคยไปแบบไปเที่ยวที่แปลกๆไหมที่เราไม่เคยคุ้นอะอย่างไปเที่ยวศูนย์การค้าที่ใหม่ๆที่เราไม่เคยไปเราไปที่ศูนย์การค้าแล้วเกิดปวดท้องหาห้องน้ําไม่เจออะไรเงี้ยเคยเป็นบ้างไหม บอกเป็นๆ เ, เคยหาห้องน้ําไม่เจอสังเกตไหมตอนที่วิ่งหาห้องน้ําเนี่ยไม่โกรธไอคนนั้นหรอกพอเข้าห้องน้ําเรียบร้อยผ่อนคลายความทุกข์แล้วก็เริ่มคิดใหม่นะอ๋อไอนี่หักอกเราก็โกรธใหม่นะทำไมความโกรธก็เกิดเกิดดับดับนะมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับไปไม่มีความโกรธที่อยู่ยาวๆหรอก กิเลสเนี่ยนะเป็นสังขารขันธ์หน้าที่ของเราคือรู้มันรู้ทุกนะถ้าเรารู้ทุกอยู่เนี่ยสมุทัยก็เป็นอันถูกละไปเองอย่างที่เรามารู้ว่าเราใจเราโกรธเนี่ยเราก็ไม่ได้ปิดคิดเราก็ไม่ได้ปิดคิดเรื่องที่ทําให้โกรธนะความโกรธก็จะดับไปอาจารย์ก็สอนถูกเหมือนกัน น, นะอะไรเป็นเหตุให้เกิดความโกรธทราบไหม เหตุที่อาจารย์บอกว่าให้ดูที่เหตุห้เหตุดับแล้วมันดับนะก็ถูกเหมือนกันเหตุของความโกรธคือนี้อันที่หนึ่งมีอนุใสขี้โมโ ห, โหมีสันดานเดิมขี้โมโหนะอันที่สองเราได้กระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจถ้าเราขี้โมโหจริงอ่ะแต่ทุกวันมันมีแต่คนเอาใจนะก็ไม่โกรธนะแต่ถ้าไปกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจเขาโทสะเขาเกิดนะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการตัดสินกันว่าอารมณ์ที่กระทบเนี่ยเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีไม่ชอบ เช่นเราขับรถอยู่ตาเรามองเห็นเห็นคนปาดไปที่เราต้องคิดนะว่าอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ไม่ถูกพอคิดอย่างเงี้ยโทสะอย่างเงี้ยเกิดแต่ถ้าเรามารู้ว่าโทสะเกิดเนี่ยเราจะลืมคิดเหตุของโทสะจะดับเพราะฉะนั้นพอเราไปรู้โทสะปุ๊บโทสะจะดับของมันเองเนะ่ยเราไม่ได้ไปดับมันนะทำทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุ ด, ดับทำนั้นก็ดับไม่มีใครดับตัวทำโดยตรงได้ยกตัว อ, อย่างไฟไหม้ ไม่มีใครดับไฟได้ในโลกนี้แต่คนดับเหตุของไฟอย่างไฟไหม้เพราะว่ามีปัจจัยคืออุณหภูมิสูงเอาน้ำไปราดๆ า, าดมันลดอุณหภูมิลงไฟดับมันมีออกซิเจนเอาโฟมไปฉีดให้อากาศเข้าไปไม่ได้ไฟก็ดับมันมีเชื้อเพลิงนะไฟไหม้ลามลามมาลื้อบ้านออกซะหลังหนึ่งมันลามไม่ได้ละไม่มีเชื้อเพลิงไฟก็ดับกระทั่งดับไฟอันดับที่เหตุเลย กิเลสก็เหมือนกันกิเลสเกิดขึ้นมาเพราะมีเหตุถ้าเหตุมันดับตัวมันก็ดับครั้งหนึ่งเคยมีคนไปถามพระพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์มีการมาราคะไหมไปถามพระพุทธเจ้าท่านตอบว่าเราไม่มีการมาราคะเพราะเราไม่มีการมวิตกที่ท่านไม่ได้ทําเหตุตรงการมาราคานะนั่นเองท่านไม่ได้คิดเรื่องกามการมาราคะก็ไม่เกิด ดังสิ่งเท่าไรเกิดแต่เหตุนะถ้าเหตุดับมันถึงจะดับไม่ใช่เราเก่งไปดูมาแล้วมันดับอย่างบางคนพอความโกรธเกิดขึ้นพุทโธพุทโธพุทโธอย่าให้หายโกรธถ้าความโกรธหายไปทําไมความโกรธหายไปได้ก็เราไม่ได้ไปคิดเรื่องที่โกรธเนี่ยเรามวแต่พุทโธเราพุทโธพุทโธหายโกรธเราก็ภูมิใจโอ้พุทโธทีเดียวหายโกรธเลยหรือพอโกรธเราโกรธนอโกรธนอขนาโกรธนอโกรธนอลืมคิดแล้วลืมคิดแต่ความโกรธก็ดับ ก็เลยสําคัญปิดว่าโอ้พอมันมานะกิเลสมาเราหนอทีเดียวมันหายเลยที่จริงเราไม่ได้ดับมันหรอกเหตุของมันดับอ ก, กุศลเราก็ห้ามมันไม่ได้ถ้ามีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับกุศลก็เหมือนกันนะเนีย่ยสติก็เป็นกุศลเราจะสั่งให้เกิดตามใจชอบไม่ได้สติก็เป็นอนัตตาบางคนพยายามทําสติให้เกิดเล่นเดินกระแทกเท้าแรงๆกระแทกต้นแรงๆหวังว่าจะไม่ขาดสติ ขณะที่กำลังกระแทกนั่นแหละขาดสติอยู่จิตกำลังมีโลภะอยากจะมีสติอยากจะให้สติต่อเนื่องจิตกำลังมีกิเลสอยู่ไม่มีสติจริงหรอกแล้วสติก็แกล้งทำให้เกิดไม่ได้อะขออยังโยมทั้งหลายหลูพ่อนะี่ชอบอยู่คนเดียว <c oughs> อ่ะเชิญนะชั่วโมงกว่าแนละ้วเชิญกลับบ้าน